c n lóng k i o ma s a เป็นประจำทุกวันครับสวัสดีมิรักแฟนาการทุกท่านเป็นปเวลา4ี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นรายการสภากาแฟท้องถิน่นก็กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยรายการสภากาแฟท้องถิ่นที่เรามาดำเนินการเป็นประจาทุกวันนั้นก็นำเนื้อหาสาระ เรื่องราวต่างๆที่มาบอกเล่าพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการของเราโดยเฉพาะอย่า ง, งอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารบ้านเมืองทางการเมืองบ้างเรื่องการศึกษาบ้างเรื่องเกษตรกรเรื่องชุมชนต่างๆที่ประสบปัญหาต่างๆมากมายเราก็มาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังในช่วงนี้ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนว่าเราเองนั้นได้ออกพื้นที่เยอะ ก็เลยไม่มีเวลาได้มาจัดรายการก็ห่างไปประมาณสักเดือนสองเดือนแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับทางรายการสภากาแฟท้องถินได้รับความบุกถำจากสถาบันพระปกเกล้าครับแล้วก็ที่สำคัญกันคือพระเดชพระคุณหลวงพ่ อ, อพระครูปทุมธรรมนนรักท่านเป็นผู้อำนวยการสถานวิวทยุ 9.9.25 ได้อำานยความสะดวกให้แก่ทางทีมงานสถาบันพระเกล้ามาร่วมกับมาร่วมกันจัดรายการดังนั้น ทุกวันจัน4โมงเย็น -5 โมงเย็นเราก็มาพบกันโดยเฉพาะวันนี้ได้เรียนเชิญนักพัฒนาชุมชนซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการในการลงชุมชนในการเข้าถึงชุมชนในการช่วยเหลือชุมชนที่จะให้ขับเคลื่อนงานต่างๆให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่พระนทท่านนายกประยุทธ์จนันทร์โอชาท่าน ได้หยิบยกนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เอาไว้ดังนั้นวันนี้ท่านาคุ ณ, ค, ณคุณกริเรยือนลำครับท่านก็ได้มาร่วมดำเนรายการซึ่งเมื่อวันที่17 18ที่ผ่านมานี้ท่านได้ไปร ป, ร ป, ร ป, รประชุมประชารัฐเพื่อรับนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกๆุกอำเภอ23อำเภอดังนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะเรียนถามท่าน อากิดว่าที่ไปไประชุมนั้นได้รับนโยบายมาขับเคลื่อนชุมชนเป็นยังไงบ้างครับผมครับสวัสดีครับครับกอลิก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านนะครับครับตามที่ทางท่านผู้ดําเนิ น, นการนะครับได้เกินไปแล้วนะครับ ในเรื่องของการที่ทางศูนย์ประสานงานนะครับศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดเรสโสปิจวีรัมเนี่ยนะครับได้ไปประชุมกับทางส่วนกลางนะครับเพื่อรับนโยบายนะครับเพื่อรับนโยบายในในโครงการที่จะลงมาทับเพื่อในจังหวัดวิรัมนะครับปฏิบัติงานซึ่งเมื่อวันที่สิ ที่ผ่านมานะครับก็ทางทางผมนะครับก็ได้ไปรับนโยบายกับทางส่วนกลางนะครับโดยการนําของสชนะครับหรือสํานักงานสุขภาพแห่งชาตินะครับเขามีโครงการนะครับเขามีโครงการนะครับเกี่ยวกับการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายกิตอาสาประชาธัฐนจังหวัดนะครับ ทุกทจังหวัดนะครับอาจารย์ครับนะครับทุกๆจังหวัดของของประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีอยู่ทุกจังหวัดในส่วนของเราก็จังหวัดบีดัมนะครับหรือเราจําง่ายๆว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับจิตอาสาประชารัฐจังหวัดบีรัมนะครับซึ่งผมจะขอนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับเป็นภาพรวมๆแล้วก็เป็นหลักๆด้วยกันว่า มันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับโครงการตรงนี้นะครับกิตาราประชารัฐนนี้นะครับได้พอให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่ได้พอมองเห็นภาพนะว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรทิศทางโครงการตัวนี้อย่างไรนะครับจะขอใช้เวลาคร่าวๆนะครับก็ก็คือง่ายๆนะครับก็คือโครงการตัวนี้นะครับนะครับก็จะเป็นทางสชเนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนมาทาง สปจบุรีรัมคนรับผิดชอบคนเป็นรับผิดชอบนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนโครงการที่เรียกว่ากลไกสนับสนุนเครือข่ายกิจการสาชารณะจังหวัดบุรีรัมนะครับโดยมีกิจกรรมหรือแผนงาน3ามสาแผนงานด้วยกันหลักๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแผนงานที่หนึ่งนะครับคนอื่นนี่ทางสปจเนี่ยก็จะต้องหา แกณฑ์นำเกณฑ์นำอำเภอนะครับซึ่งทุกทุกอำเภอทุกอำเภอซึ่งพื้นที่นี้มีอยู่ยี่สิบสามอำเภอนะครับหาแกณน์นำให้เจอก่อนนะครับหาแกนนําในยี่สิบสามอำเภอให้เจอก่อนนะครับแกณฑ์นต้องมีใจและมีจิตอาสาเกณฑ์กณฑ์นที่เราจะเลือกมาก็ต้องทุกคนต้องมีจิตอาสาต้องมีจิตาสาไตามตามจำชื่อโครงการนะครับเมื่อเจอแล้วได้หนึ่งคนหรือ2คนก็แล้วแต่ในแต่ละอำเภอเมื่อได้มาแล้วก็ อาจจะต้องมามีเวทีประชุมซักซ้มเตรียมการกับแกนนํามามามาจัดเวทีที่จังหวัดบุรีรัมย์เวทีจังหวัดร่วมกันทุกทั้งยี่สาเภอทั้งยี่สิเภอนะครับเพื่อมารับนโยบายหรือมาชี้แจงกันนะครับว่าจะทํายังไงกับ3ามแผนงานแผนงานที่1นึ่งหน่งแผนงานที่1ก็คือให้แกนนําจิตอาสาตรงนี้นะครับไปค้นหาจิตอาสาประชาัิในอำเภอหมายว่าตัวตัวแทนที่เรามา เรียกมาแกนำจะหนึ่งคน2คนหรือ10คนก็แล้วแต่ลงอำเภอไปาคนหาคนที่มีเจตสัอีกกิาสัยอีกอย่างน้อยคนอย่างน้อย50 50คนห้าคนแกนำนี่ไปหามานะครับไปหาอีกในอำเภออำเภอนี้ใหญ่อำเภอยอย่างน้อยหาสิบอาจะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ก็ได้ยิ่งยิ่งดีครับยิ่งดีนะครับเนี่ยรแต่อย่างน้อยอาจจะสัก50ินะครับเมื่อเจอเห็นอาสาแล้วนะครับอาจจะไปเก็บข้อมูลอาจจะไปเป็นแมวมอง ไปดูว่าใครมีแล้วก็ก็เลือกมา50นะครับเมื่อได้แกนนำา50มาแล้วนะครับก็จะให้แกนนำอาสาสมัคร50นี้นะครับ จะมีในเรื่องของการเก็บข้อมูลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งแต่คนอื่นเนี่ยจะมีเวทีมีเวทีให้แกนนํากับกับจิตอาสาเนี่ได้ได้ได้ได้ได้ได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพกันได้เรียนรู้ได้เข้าใจวิธีการที่จะขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนจะไปเก็บข้อมูลจะไปทํางานต่อในพื้นที่ในยังไงนีว่าอบรมมีเวทีตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้แกนนําจิตอาสาห้าสคนพร้อมแกนนําอําเภอเนี่ยจะ2คน3าคนก็แล้วแต่นี่ ลงไปสํารวจข้อมูลสํารวจข้อมูลหนึ่งนะครับข้อมูลที่ที่ทางททาางงเจ้าของโครงการเขาต้องการก็หนึงนะครับรายชื่อหรือคนที่มีภาวะยากลําบากในพื้นที่คนที่ยากลำบากอยากแค้นในพื้นที่อําเภอรายได้น้อยรายได้น้อยพิการอยากจนเร่ร่อนอะไรแล้วแตะนะครับก็ไป ไปสรวจมาสรวจมาในประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองประเด็นที่2ให้แกนนําแล้วก็อาสาสมัครเนไปดูว่าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจะเป็นภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะน้ําท่วมหรือพายุหรือซึนามิคงไม่มีนะครับก็ก็ไปดูมานะครับก็ไปดูแรงจัดแรงจัดท่วมจัดไปสำรวจมาเป็นพื้นที่ของอาเภอเป็นพื้นที่ที่มีแบบ มีปัญหาที่ถ้ามีปัญหาก็กสบวลมาฤทธิ์นะช่วยกันมานะครับห้าสิบนนี้ช่วยกันดูว่าตําบลไหนหมู่บ้านไหนมันเสียงก็กทําเป็นข้อมูลขึ้นมานะครับข้อมูลที่จังหวัดมาเรานี้ข้อมูลเรานี้ก็จะเอามาโกงกันที่อำเภอลงลงก็จะมีโปรแกรมของเขาอยู่โปรแกรม Excel แล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปลงข้อมูลลงอำเภอแล้วอำเภอก็ลงข้อมูล เสร็จก็มารวมที่จังหวัดอ๋อไปไปส่งให้จังหวัดจังหวัดแล้วก็จังหวัดจะได้นําข้อมูลเหล่านี้ส่งที่ที่สนักงานสชสชสชจะส่งตัวรัฐบาลโอเคเพื่อหาเพื่อแนวทางแนวทางรัฐบาลเอาข้อมูลให้รัฐบาลแล้วครับแล้วรัฐบาลจะหาแนวทางมาช่วยประชาชนช่วยเหลือเป็นโครงการเป็นอะไรต่างๆนี้มันมีคนอยากไร้เท่าไหร่อำเภอที่ยากไร้ ห้าร้อยคนอําเภอนี้มีห้าสิบคนอําเภอนี้มีร้อยคนแล้วรัฐบาลจะมีแผนนโยบายมาแก้ไขปัญหาโอประชาชนกลุ่มนี้เราต้องไปช่วยแก้ไขเพราะเขาสํารวจมาแล้วเขาดูมาแล้วอเขาก็จะได้พุ่งเป้าให้ถูกจุดสรุปว่าอาสาประชาชนนี่ลงมาเก็บข้อมูลเพื่อจะส่งต่อให้แก่รัฐบาลเอาไปบรรจุในแผนนโยบายของการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ อ่อาก็เป็นเหมือ น, นเป็นฐานข้อมูลแต่อาจจะมีในกิจกรรมเื่นอื่ น, นั้นก็ก็เป็นเรื่องของอนาคต อ, อ, กกอีกทีห ม, ม, มันมันต้องเป็นประโยะชนเอเอเอ์ต่อประชาชนพี่น้องอย่างแน่นอนครับผมอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนอาประชารัฐที่ท่านกลิบไปประชุมมาแล้วยังอ ย, งอย่างอื่นที่ท่านไปเห็นอะไรที่พอจะมีมีมีมีแนวทางว่าอะไรบ้างที่ประชาชนจะได้เข้าถึงจริงๆตรงนี้ครับ เข้าถึงจริงๆใช่ไหมครับเข้าถึงในส่วนของโครงการตัวนี้อ่าก็ก็แน่นอนว่าก็จะหนึ่งการจะเข้าถึงของประชาชนเนี่ยหนึ่งจะมีแกนนําลงพื้นที่มีจิตอาสาลงพื้นที่อาจจะจะชนในแต่ละพื้นที่แต่ละเบอร์อาจจะได้รับการประสานงานนะครับโตโตกันอาจแกนหน้าจะไปประสานฝ่ายปกครองก็นำตุนใจบ้านอาจจะไปประสานผ่านอสโมผ่านหมอ ตามโรงพานต่างๆแล้วก็อาจจะไปได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนประชาชนก็ถ้าใครมีจิตอาสาพอที่จะมีใจแล้วก็มีเวลาด้วยอะไรได้นะครับไม่กระทบกับการทํามากินนี่ก็ก็อยากให้เข้ามาร่วมก็มาร่วมอยากได้ข้อมูลแท้จริงว่าเรามจริงเท่าไหร่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการมันจะง่ายต่อการ ทำนโยบายขับเคลื่อนในปีต่อๆกัใชใชขาเข้อมูลแท้จริงก็เรียกว่าเกาไว้ถูกที่กันโอเคครับผมกันว่าเป็นประโยชน์ครับก็อยากนำเรียนท่านผู้ฟังเบื้องต้นเป็นแค่นี้ก่อนครับในส่วนตรงนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ได้ฟังท่านกิจได้ไปประชุมอาสาประชารัปไียกรุงเทพมหานครท่านก็ได้เดินทางไปกับท่านพสดลนิรันดรคุณทานนั้นแล้วก็ท่านอาจารย์พ่อธงชัยชนหอมท่านไปท่านก็ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อจะมาขับเคลื่อน ในจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่าทางรัฐบาลก็มอบให้ทุกจังหวัดได้ขับเพื่อน อ, อาสาประชารัฐในการเก็บข้อมูลต่างๆดั ง, ง, งที่ที่เราได้ได้คุยกันไปแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าโอ้ในบ้านเราตําบลเราอําเภอเราจังหวัดเรามีผู้ยากไร้เท่าไหร่ครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มีภัยพิบัติกี่อําเภอแต่ลอาเภอมากน้อยแค่ไหนทางด้านไหนบ้างจะเป็นน้าท่วมจะเป็นมันภายแล้งต่างๆมากมาย จุดนี้คือเป็นจุดที่าการขับเคลื่อนของสอชอ เ, เป็นเป็นประเด็นที่สําคัญที่ทําให้เกิดการเกิดการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นก็ในช่วงนี้พี่น้องก็ได้ไ ด, ได้ฟังประเด็นวันเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดต่อว่าประเด็นที่เราจะลงจริงๆน่ยหรือว่าจะจะมีการสัมปทานจริงเราจะจะทำอย่างไรและขับเคลื่อนอยู่ตรงอยู่ในบ้างก็จะมาเล่าให้ท่านฟังต่อในช่วงนี้ฟังเพลงเพร่เพลสองเพลงครับผม น้องน้องหานตาหนังเบิ้งป้าคีดหอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยประทาตเชิงทุ่งทางข่าวผู้ผ่านบ้านเฮายังคอยเสมอใจเข็มคึกเกลือแทบอน้องสาวบนร้อยจากฟ้ามือ น, น้ำตาลาล ใจของอายเป็นห่วงคนไกลพบอมีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานฝุ่งปล่าชวนกันพาลอยลงลงเปลาวดังใจผู้้างที่ไปวังวาอายบ่เม็เดผ้าแดงบ่อมีมน์แต่งไปอ้อนไปว่า ให้คนลืมร้าวอดความลังก็จะได้เยานผู้เขียวใบมันไปลงคำบอนของคนมีตังยางเข่าเด็ดน้งไปใต่ตรงยามฟ้างามยามแหลงทางทุ่งนองหาเป็นสีสกโอกสกกสใจกับน้องไปบอกคน เจ้าสีน้านวลของอายั่นบอลืมไล่ฮักแล่ท้อยคำอยากให้กลับลำเืนพุงนองฮา ไอ้บอ่แมงผ้าแดงบ่มีมนฑ์แต่งไปอ้อนไปเว่าวให้คนลืมคราวคือพอดความลังย่านผู้เขียวไปหมอน ไปหลงคำวอนของคนมีตังอยากเขาเด็ดน้งไปใต่ต้นยางฟ้างามยามแรงทางคุ้มงาเป็นพี่เป็นน้องใจกับน้องเช่อเรื่องเทพเปลืองเป็นงาเจ้าสีนานวนของไอ้ท่นบอลืมไล่หักและทไอยคำ อยากให้กลับลำคืนทุ่งนองหา ก็บางเพลงผ่านไปก็ก็คิดว่าเป็นที่ถูกใจพี่น้องผู้ฟังรายการทุกๆ ท, ท่านครับ okay, <got> ก็อย่างที่ได้เกณน์ท่านเราได้คุยเกี่ยวเรื่องประชารัฐไป mm. เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้มองเห็นว่าการขับเคลื่อนของ สปจอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนก็เป็นเป็ น, ปนส่วนที่สำคัญแต่ส่วนหนึ่งครับพี่น้องประชาชนที่เราจะกําลังขับเคลื่อนภายใต้ของมหาวิทยาย ล, ะะลัยราชภัฒนบุรีรัมย์ซึ่งผมได้เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อน ง, งานวิจัยที่จะทําให้ชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือในขอบเขตในภายใต้ตรงนี้ครับ ว่าเราจะพัฒนาอะไรให้มันเกิดเกิดสิ่งต่างๆที่มันให้ชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นในนั้นก่อนที่เราจะฟังเกี่ยวเรื่องว่าวิจัยมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์นิรันด์คุณธนันท์ซึ่งท่านเป็นประธานตรงนี้ได้มากล่าวกับพี่น้องประชาชนว่างานวิจัยมันเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาอย่างไรในชวงนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์นิรันด์ได้ได้คุยพี่น้องประชาชนครับผม ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนะท่านอาจารย์ชมพูนะครับคือท่านเป็นรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของรัชภัฏ์บุรีลำนะครับคือการวิจัยเนี่ยก็เหมือนกับหลักทางพุทธศาสนานะการหาทางออกแก้ไขปัญหาสุจิปุรินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะทุกสมุทยนิโรธมักหลักพวกนี้แหละเอามาใช้นะหลักห ล, หลายส่วนของของศาสนาเนี่ยมาคือถ้าเราทำวิจัยเนี่ยนะครับที่ที่ทางรัฐบาลหรือทางหน่วยงานต่างๆที่เน้นกันก็คือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหานะหรือว่า R&D research and development เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราลงไปในชุมชนนะครับไปมีกระบวนการในการที่จะไปศึกษา ต้นเหตุของปัญหานะครับมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะการอสอบทานข้อมูลนะครับการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามานะครับม า, มาร่วมมีส่วนร่วมนะในการที่จะหาสาเหตุของปัญหาในชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินก็ดีปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําทําการเกษตรนะปัญหา สุขภาพโรคภัยกระเจ็บถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะในการคิดคน้นโจทย์วิจัยในการระดมสมองในการให้ข้อมูลว่าต้นเหตุปัญหามาจากไหนมีการโจดบันทึกอย่างเป็นระบบเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบนะเป็นรูปเล่มเสนอทางออกในการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นกระบวนการวิจัยเลยครับอย่างน้อยเป็นกระบวนการวิจัยเพื่อชุมชนนะจันชมพูเพราะฉะนั้นนี่มองเห็นว่าในส่วนของอมหาวิทยาลัยราชพัฏ บุรีรัมเนี่ยนะครับก็ปัตยาก็คือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเราก็คือต้องอยู่กับท้องถิ่ น, นแก้ไขปัญหาท้องถิ่นกระบวนการวิจัยเนี่ยจึงจึงเป็นสิ่งที่จะต้องมีการผลักดันแล้วก็ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะอาจารย์ชมพู ด, ดูแลในงานในทางด้านนี้เนี่ย มีกิจกรรมมีความเคลื่อนไหวอะไรที่จะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าเราเราจะทําอะไรกันบ้างครับในศูนย์วิจัยชุมชนนี่ครับอาจารย์ชมพูครับครับผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับก็คือตามนโ ย, ยบายที่ท่านคณ บ, บดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัครพลเนื้อไม่หอมที่ท่านเข้ามารับภาระหน้าที่ในการเป็นคณ บ, บดีท่านก็ได้ประกาศนโยบายว่านโยบายอันหนึ่งที่ท่านท่าน ท่านเน้นหนักก็คือหนึ่ ง, ง, งสาขาหนึ่งชุมชนก็หมายว่าต่อไปนี้ทางคณะจะต้องลงไปสู่ชุมชนเอาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาการพัฒนาเอาเอาสาขาทุกสาขาลงไปพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งดังนั้นในนโยบายของคณะรรีก็ลิงมาสู่ในงานของผมซึ่งผมก็มีนโยบายว่า ต่อไปนี้เราต้องทําตามมหาลัยที่มหาลัยมหาลัยเป็นมหาลัยของชุมชนดังนั้นเราต้องไปขับขึ้นชุมชนนั้นการจะขับเคลื่อนชุมชนได้นี่ก็อย่างที่ท่า น, านอาจารย์นิลันท่านบอกว่าการจะไปพัฒนาชุมชนต้องไปเริ่มต้นที่ชุมชนต้องไปค้นหาปัญหากับชุมชนว่าชุมชนมีปัญหาอะไ ร, รใช่ไหมอา<ช>จารย์ใช่ครับไปลงชุมชนเสร็จพอเจอปัญหาก็เอากระ บ, บวนการของวิจัยไปจับดูว่าอ๋อนี่มันเป็นปัญหาเรื่องอะไร เรื่องข้าวราคาแพงเรื่องหนี้สินเรื่องผลการผลิตไม่สมบูรณ์เรื่องการส่งไม่ไม่สะดวกอะไรประมาณนี้ ค, คนดูปัญหาเสร็จเมื่อเจอปัญหาเสร็จเราก็เอาประบวนการตรงนี้มาแก้ปัญหาให้มันได้จากที่ได้รายได้น้อยก็ได้ได้เงินเยอะเงินน้อยก็ได้เงินเยอะรายได้น้อยได้รายได้เยอะนั่นคือสิ่งที่ที่ที่เอากระบวนการวิจัยลงไปพัฒนาชุมชนครับครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่ เป็นเป็นแนวทางที่ผมพนะัฒนาดังนั้นในการจะพัฒนาของผมเนี่ยผมก็มองว่าผมจะใช้เป็นคโครงการศูนย์วิจัยชุมชนครับโ ค, ครงการศูนย์วิจัยชุมชนเป็นเป็นตัวตั้งหรือถ้าถ้าพูดให้สั้นๆคือเป็นทรีนิกวิจัยเพื่อจะเป็นศูนย์รวมของของของส่วนต่างๆมามาร่วมกันกับเพื่อนเช่นอย่างอย่างคโครงการศูนย์วิจัยชุมชนมันก็จะมี ส่วนของวิจัยของสสส์มาร่วมด้วยทางาประชารัฐมาร่วมด้วยทางสถาบันปกครองมาร่วมด้วยในการขับเคลื่อนตรงนี้มันก็จะเป็นมองเห็นว่ามันเป็นภาพภาพภาพที่จะร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนใ ห, ให้ให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นดังนั้นนโยบายที่พี่ผมตั้งไว้คือผมจะดันทุกสาขาลงไปชุมชนในการดูว่าชุมชนมีปัญหาอะไรแล้วเราจะพัฒนาตรงไหน น, นี่คือเป็นแนววยบายที่ ที่ผมทำอยู่ดังนั้นในช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงสักสองเพลงแล้วเรากลับมาฟังต่อว่าการขับเคลื่อนนโ ย, ยบายของคณะมนุษย์นี้จะขับเคลื่อนไปถึงตรงจุดไหนประเด็นอะไรที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดมีความมั่นคงมั่งขัง่งและยั่งคืนสืบต่อไป ่วอยากมาปวดตาแดงไม่มีบนแต่งไฟอ้อนไปเว้าให้คนลืมพราวคือนอดความลางยานผู้เทียวใบหมอนไปลงคำนอนของคนมีตังยามเขาเด็ดน้าไปใครตรองยาม ฟ้างามยามแรงทา่งทุ่งนองหาเป็นสีสกุลส่งไก่กับนงไปบอกคนงามเจ้าสีนานวนพออมกันท่านบอลืมไล่หักแลมความคิดคำยาเสิดลับลับคอมน่เพาสพ้องโดนอบงอาทาอดสด แม่ผ้าแดงพ่อมีมน์แต่งไปอ้อนไปเว่าให้คนลือกล่าวอดความลางปล่อยญาติผู้ที่เลียงไปมันไปหลงคับวอนซึของคนมีตั้งอย่างเขาเด็ดน้งไปใต้ต้นยางฟ้างามยามเลื ข้างไปเยแล้วหลัไปส่นาทนาิช่วยผมเลยเดินขอยไปสามเก้าอกเาเป็นงานที่ตอทําม่ไดไม่มีหาอะไรที่ทําได้กแต่สบัูรณ์ก็เลยัจเนมอัเลยหนึ่งไม่เป็นเด็กท่อยากให้กลับลำเกต่วาอาจจะเชี่ยวชาญในสายเขาแต่ขันนอกน ครับเรื่องธนาคารเป็นเรื่อกรลครับก็เพลงคพ่อผ่านไปครับจากที่ได้คุยอาจารย์นิรันต์ก็เราได้พูดเกี่ยวเรื่องการแผนนโยบายที่เราจะกลับเคลื่อนครับเมื่อวันที่สิบเจบปที่ผ่านมาทางคณะมนุษยศาสตร์และสงัสงคมศาสตร์โดยการนําของอฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดโครงการอบรม นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจะขับเคลื่อนงานวิจัยท่า น, านอาจารย์ครับดี ค, ครับเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าการทำงานตรงนี้ก็จะได้ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มามองเห็นว่าการทำวิจัยนี้มันไม่ได้ใช้เรื่องยากมันเป็นเรื่องที่เราทำได้<ช>แต่ถ้าให้มีใจกลับมาดังนั้นก็เลยมองว่าเมื่อเรามีทีมงานวิจัยที่เข้มแข็งสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะพานักวิจัยลงไปคือ ไปปักธงในพื้นที่ต่างๆของชุมชนดีมากครับดีมากครับชุมชนแรกที่ที่เราได้มองไว้ก็คือชุมชนบ้านเสม็จอําเภอกระสังจังหวัดวิลามครับซึ่งเป็นชุมชนที่อนุรักษ์ป่าไว้ห้า้อยไร่โอ้น่าสนใจครับเป็นเป็นพื้นป่าที่นักวิจัยของเราเนี่ยลงไปปักพื้นที่ไปทำแล้วชาวบ้านอนุรักษ์ไว้แล้วในปีปีหนึ่งนีจะมีการเก็บเห็ดได้เป็นได้เงินที่ขายจาก ทำทำรายได้จากกินนี่ได้เงินสี่ห้าแสนโอ้สุดยอดครับได้เงินเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็จึงเตือดให้ให้ชาวบ้านนี่มีการอนุรักษ์ป่าตรงนี้เอาไว้ป่าตรงนี้มันมันมีพิเศษครับท่านท่านท่านอาจารย์ผมได้ลงไปแล้วพอถึงหน้าน้ำหลากน้ําจะท่วมป่าแต่ป่าไม่ตายอ้เป็นเป็นเป็นปรับตัวได้นะป่าครับเป็นป่าทรรมครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะไปหาปลาในป่านั่นแหละหาปลาในป่าเข้าเข้ามาเลี้ยงชีวิตอะไประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลย มีนโ ย, ยบายว่าทักนวิจัยก็จะไปพัฒนาเรื่องการทําอาหารของชุมชนเพื่อจะส่งขายในในชุมชนแล้วก็ออกกระจา ย, จายไปที่จังหวัดอำเภออะไรต่างๆมากมายซึ่ง<อ>มีนโ ย, ยบายที่เราลงพื้นที่และจะมีเวทีการจัดเสวนาเรื่องป่ากับชุมชน อ, มาอาหารา ก, กับชุมชนซึ่งซึ่งเราจะไปไปลงพื้นที่ตรงนี้ครั บ, รบนี่คือประเด็นที่ที่เราจะทําประเด็นที่สองคื อ, อ สถานที่ที่สองเขาจะนะครั บ, รบ <ภา S 2> เราจะไปที่อําเภอรประคมดีมากครับไปสถานที่ที่เราต้องการพัฒนาคือเป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรศูนย์ผู้ขับเคลื่อนผู้พัฒนาประเทศไทยเก่าที่ที่เขาพัฒนาประเทศไทยคนเก่าเป็นสถานอุศนเป็นอนุสรสถานองทหารเนี่ยสายเก่านีใช่ใช่นนั้ก็คือผู้ตรงคือเป็นอนุสรสถานของสายเก่าคที่ที่อยู่ตรงนั้นเราอยากไปพัฒนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวของคนที่ไม่เคยรู้ว่าเอมันมันคืออะไร<อ>แล้วผมก็ลงไปเก็บข้อมูลไปเขาเรียกว่าไปพัฒนาโจทย์กับนักวิจัยอแล้วก็จะหายทั้งประมาณจะหายรประมาณสี่ห้าท่านหกท่านลงมามาคุยด้วยเขาบอกเขามีความต้องการจะพัฒนาหมู่บ้านเขาให้คนรู้จักว่าตรงนี้เป็นสถานที่รเราเขาเลยสู้รบมา<อ>แล้วเป็นเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบอยู่ในอันดับสอง คุยไปคุยมาก็เลยเกิดให้เรามีแนวคิดว่าถ้างั้นเมื่อเราพัฒนาตรงเนี้หนึ่งมีประวัติศาสตร์ของคนของทหารทหารเขาเรียกทหารอะไรท่านท่านอาจารย์นะทหารป่าอาทหารป่าเก่าเนี่ยเป็นทหารป่าเก่าเขาเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงอยู่ในป่าลูกเมีอยอยู่ยังไงซึ่งซึ่งเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นเรื่องเล่าของแต่ละคน<อ>แต่ละคนมากแต่ละคนอยู่กี่ปีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับขับประวัติตท้องถิน่นถัดจากนั้นมาก็คุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราเป็น เป็นศูนย์จำลองสถานที่จำลองของการซูรลบว่ามีตรงนี้เป็นเคยสูรลบอะไรบ้างตรงนี้เป็นอะไรบ้างเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นเป็นสถานที่จำลองให้คนสนใจมาท่องเที่ยวรประมาณนี้แล้วก็สรุปตรงที่ว่าหลังจากที่เราคุยกันจนตกผลึกแล้วเราเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยเราจะสร้างหนังสั้นได้ไหมเพื่อจะเสือให้ทุกคนน่ยในอันดับแรกเราเราอยู่มาเผยแผ่ที่มาอะไรจากนั้นก็ลง ทำหนังสนนงร้างแหล่งลงยูทูบเผยแผ่คนได้รเรียนรู้ว่าโอ้ตรงนี้มันมีอยู่เหรอ อ, อะไรประมาณมานี้ซึ่งซึ่งเราเราได้คุยกันแล้วก็อกมองว่าถ้าเราทําตรงนี้เกิดขึ้นมีการท่องเที่ยวพัฒนาท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนมาเที่ยวเกิดขึ้นชาวบ้านก็จะมีพวกของมาขายทําให้เกิดรายได้แก่ชุมชนซึ่งเรามองที่เออมันก็จะเป็นการพัฒนาส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ทางโครงการศูนย์วิจัยชุมชนเรา กำลังขับเคลื่อนกับนักวิจัยอยู่แล้วก็คาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้ภายในในในเร็ววันนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้คือเป็นเป็นส่วนที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ได้จับมือกับนักวิจัยทุกสาขาคือเราจะทั้งทั้งเสาขาครอาจารย์ครับมาร่วมกันในการขับเคลื่อนแต่ละพื้นที่จึงเป็นซึ่งซึ่งมันตรงกันที่อิบายที่ทางคณะพดีก็ตามผมก็ตามซึ่งเป็น อลองรัฐมนตีมีแนวคิดเหมือนกันว่าเราต้องขับเคลื่อนจากชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชนมั่งคัง่งให้ชุมชนยั่ ง, งยนืนตามแผนนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ของท่านพระนทัานนายกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ครับคือประเด็นที่ผมผมอยากขับเคลื่อนก็ก็เป็นแนวคิดที่ ท, ที่ที่ดีนะครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยมีการบันทึกไว้น้อยมากนะครับคือ พอชาวบ้านเนี่ยนะครับมีการมีวีรกรรมมีว่ามีมีมีผลงานมีอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกหลงลืมไปแล้วก็หน้าประวัติศาสตร์ก็จะหลงลืมไปเพราะจริงๆเราก็ต้องต้องต้องยอมรับนะครับว่าว่าในในพื้นที่แถบป่าดงใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นป่าพื้นใหญ่พื้นสุดท้ายของบุรีรัมม์นะครับมีพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยเกือบสองแสนไร่นะเนะชื่อมจากอำเภอ โน่นดินแดงนะครับมาประคำแล้วก็ไปเสริงสางของโคราชคือเชื่อมสองจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าในที่ราบที่ใหญ่มากนะครับซึ่งตอนนั้นเมื่อปี2530นะกว่าเนี่ยหลวงพ่อประจักษ์นะคุตจิตโตซึ่งเป็นพระทุดงพระป่าเนี่ยได้อนุรักษ์ไว้นะร่วมกับป่าไม้นะจนปัจจุบันนี้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงใหญ่ ผืนป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่มีพื้นที่ในรอยตะเข็บดังกล่าวเนี่ยเป็นสมัยก่อนเนี่ยปี2000ศตวรรษ2510จนถึง2524เนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวของทหารป่าในช่วงนั้นนะอุดมการแตกต่าง ก, กันกับมีชาวบ้านนักวิชาการเนี่ยลงไปสู้รบในเขตป่าเขาเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงนั้นเป็นเขตอีสานใต้ นะเป็นเขตเป็นเขตอีสานใต้ของฐานตาเนี่ยนะครับมีกิจกรรมมี ม, ม, มีมีอะไรต่างๆมากมายมีประวัติศาสตร์กันมากมายแล้วเขามีการมาตั้งอนุสาวรีย์หรืออนุสรสา ร, ออรมีสถูปนะของสหายผู้เสียชีวิตนะจากเหตุการณ์ของอีสานใต้ไว้ที่วัดโคกเขานะครับอยวที่อําอเภอประคำนะรู้สึกว่าจะเป็นตำบลตำบลตำบลโคกมะม่วงนะครับอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มี พิพิธภัณฑ์ น, นะฮะของของีรชนของอีสานใต้ซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนซิปแะครับเมื่อสมัยก่อนผมเป็นกรรมาการเมื่อปี243นะก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะครับแล้ว ถ, ถ้ามีการบันทึกประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่านะของคนเก่าคนแก่นะโดยนักวิจัยของคณะมนุษย์น่ะสยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะ เก็บรวบรวมไว้ให้ลูกให้หลานได้ศึกษา<อ>นะซึ่งเป็นแนวทางที่มาถูกต้องแล้วการที่ให้แต่และสาขาวิชาผาออจารย์ภานักศึกษาลงไปทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นเป็นแนวคิดที่ดีพอตอบสนองตอ่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะ<อ>เป็นเป็นสิ่งที่ควรที่จ ะ, ะต้องทำอย่างมากนะครับซึ่ง ตรงนี้เห็นว่ากําลังมีการอบรมมีการนําเสนอนักวิจัยให้หัดฝึกหัดเขียนใช่ไหมฮอาจารย์แล้วแล้วก็ต่อไปก็อาจจะลงไปทํางานในในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆเห็นบอกว่ามีนักวิจัยบางท่านเนี่ยไปไปไปทานำล่องในพื้นที่ของปราชชาวบ้านนะฮะที่ที่ที่ที่แถวตามมาเนี่ยนะครับเห็นเห็นบอกว่าไปทํามาแล้วแล้วได้ผลยังไงอาจารย์ลองเล่านักวิจัยชื่ออะไรครับ ที่บ้านตำมา ก, <ๆ>ก็ก็อยากจะเรียนท่านท่านผู้ฟังว่าที่บ้านตำมานี่มีท่านอาจารย์อุทิตาหอมเป็นนักวิจัยดินของมหาวละละละาาิทยาลัยราชพัฒน์บุรีลำครับครับแล้วก็มีท่านอาจารย์สํารานธุราตาอาจารย์พิชิตวันดีท่านได้ลงไปเริ่มต้นกับชุมชนกับป่าชาวบ้านในการพัฒนาป่าจากป่าที่มันแห้งแล้งครับซึ่งแต่ก่อนมันคือคือบ้านตำม า, ม, ามันจะมี มันจะมีะภูมิภูมิศาสตร์มีป่าแล้วก็ข้างๆจะมีน้ำแต่แต่ก่อนเ็าจะพันน้ำจากจากเครื่องปั่นน้ำแต่ปรากฏปั่นไปมาไม่มีเงินเครื่องปั่นน้ำก็ล้มล้ ม, ลมไปปรากฏว่า น, นักนักพัฒนาวิจัยเราไปดูพื้นที่แลยเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราเราสามารถทําได้ทั้งกับไปเอารถแม็กโคมาขุดพื้นที่ป่ า, าป่าสี่สิบ สี่สิบห้าสิบไร่เนี่ยรอบรอบป่ายี่บสี่ไร่เนี่ยที่รอบรอบเลยขุดรอบโดยที่ไม่เสียตังค์สักบาทให้รถแมคโครเอาดินไปขายแต่เราได้คองขุดหลงกว้างสองเมตรลึกสามเมตรอาจารย์อุทิศทาหอมหรือครับผมกับอาจารย์สำรานอาจารย์พิชิตจับสามีาใจแรกแรกที่ลงไปพัฒนารแรกครับที่ลงไปพัฒนาตรงนี้รับทุนจากสกวครับผมไปทาตรงนั้นครับเสร็จเรียบร้อยน้าก็คือแต่ก่อนสูบก็ไม่ต้องสูบ ก็ไปดูแล้วผิวน้ำมันสูงกว่าคลองก็ใช้ต่อท่อพ c ซเข้าไปเจาะทะลุคันเข้าไปแล้วก็ทำก๊อกเวลาน้ำล้นก็ปิดเวลาน้ำไ ม, ไม่มีก็เปิดท่านก็ไปซื้อพันธุ์ไม้มาปลูกซื้อเอาปลามาปล่อยเพราะน้ำเต็มนั้นก็หลังจากนั้นก็เกิดให้ชาวบ้านมาจับจองพื้นที่แถวนั้นว่าน้ำมีแล้วมาทำการเกษตรบางคนมาปลูกข้าวโพดมาปลูกพริกมาปูกมะเขืออัอะไรต่างๆมากมาย ก็เป็นรายได้ของชมชนจึงเป็นที่มาในการพัฒนาจนถึงพัฒนาอย่างเต็มที่จนมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูผู้ว่าไปเปิดงานแล้วล่าสุดองค์มนตรีก็ได้ดาวพงค์ดาวงครับผมขับท่านก็ได้ลงไปเยี่ยมชมไปดูโอ้มันทำได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฒวิลามได้มีชื่อเสียงและก็โดดเด่นเป็นหน้าเป็นตาของคณะมนุษย์ครับเป็นหน้าเป็นตาของคณะมนุษย์ ซึ่งเราก็จะเอาแผนงานตรงนั้นที่ท่านนักวิจัยสามท่านเป็นลงอ่ะที่ลงมาแล้วทําแล้วเอามาทําเป็นนิติการในห้องโชว์ที่คณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเรากําลังจะทําเป็นนโยบายที่ผมกําลังจะเอาห้องห้องหนึ่งเป็นห้องที่จัดนิติการของงานงานทุกงานของโครงการสศึจษาชุมชนเนี่ยมามาไว้ตรงนี้เพื่อให้คนเข้ามาคณะมนุษย์ศาสตร์ินอ้อมเขาทำอะไรบ้างอะไรเป็นครับท่านอาจารย์ครับ ครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็เรามาช่วงท้ายจะมาคุยต่อว่าหลังจากที่เราทำตัวนี้แล้วเราจะทำตัวไนต่อช่วงนี้วางเพลงเพราะเพราะสองเพลงครับผมคลิกตรงมุมขวา นั่นก็พูดอย่างนี้แหละพูไม่พอเขาเป็นแฟนบอเห็นหน้าแฟนมาแล้วตั้งโดนเราจะได้สั่งหรือเปล่าไปสั่เด้ไหมแผ่นแผ่นไว้ในอินเทอร์เนเช็จแล้วผมจะส่งให้เปยนพันธเาจะรูว่าจะเอาไปโพาในเกูันเนี่ยไปจัดเขาก็จะคิดบัง เมื่อันแวเาจะเ็น่จะอเป็นสาัเจชมเกลุ่ายหนาและบอกไปจักาคนนี้ส่วนประหาัดนนเสียงบังไงแสนกับพี่ชายอยาดีบไม่ชอบที่จะไม่ไล่ท่านเมื่อไรไลส จะไลฟ์ก็ได้แต่ตอนนี this, yes, ้ไลฟ์เลยดี๋ยวมต้อี่วาตยงกันมตัดมาตันเี๋ยวนน่าดมาียมันลงนแ่าตัดมาตาตัดมาตัดมาตัดมาตันมาตัดมาตัดมาตัดมาตัดมาตมาาตัดมาตดดาัดมาตัาตัดดมาตัมาตัีมมามดาัาม มองปาโมที่ถึงหน้ามนยิ่งเลจนทนพนสาแ่เรื่องไม่เห็นหน้าแที่แสนว่า เคยได้พาความป่อดูของสีบุญเชื่อมมูลสีจันท่์มองไปคิดถึงจันทร์น่ามนต์มากนะจนคนผ่านซายท่เด็กทําะไรแล้วแต่มีบอร์ดหน้ากันนไม่ต้องติดเตมลำตีกด ขยายให้มันใหญ่อะไรอยา้จำวกเขายากจะทุนใ้ร่งทุนทนมัางขนาดเซก็ได้อย่าไปทำเล็กๆน้อยๆมันไม่ดูบคนทำใหมันค MM ือตีรูปรูรูปกนเื้อหาทกันก็ติดแค่ว่าจัดอะไรแนั้นมทุะละเอียดนะคนผ่านไปเรจะเห็นเพงนั่นแหละเพงนั้นเพงนั้นมุมดั้นขวาไอ้ยิงเออตรงนั้นก็ได้ อย่างไหนก็ได้อะไรอะไรตะวันร้อนที่โรงงานเอาอันเดิมอันเดิมเันข้างบนข้างบนไม่ไม่ก็เดิมันข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรเปลยนผู้หญิงอ่ะนะะคเอาเอาสีภาพนะสีภาพพออย่าไปนเทคนิคการประยัมพันอย่าไปเต็มปลายที่มีอยู่ตั้งตรงทางเข้าเนาะทางเข้าเลยตรงตรงบน ก็เขียนตัวอธิบายบอกว่าอบรมนักวิใจัยใหม่โดยฝ่ายวิจันัดมีรายละเอียดขอาเป็นเลกๆเมบอกว่าวันที่เท่าไหร่ฝ่ายวิจัยจะอะไรที่ห้องไหนแค่นั้นแหละเป็นว้นิ่ง ไมเบอร์ดธรรมดามันมันมมีบอร์ดตุ้กระจกอยู่แถวนั้นแล้วแม่เหรอมีบอร์ดตั้งครับตั้งตั้งแล้วก็ก็เราเราก็เขียนใส่กระดาษใีนะกะทาไว้เรงเรามันลงทุนมากไปแล้วก็ใ้รูปรูปที่เราบอกแปะเอาไว้สีนลแล้วมันแปะปินสีออกมาจากจากใบรูปเลย ให้มันปินใส่กระดาษขนาด A4 หรือว่าเราไปซื้อกระดาษกระดาษสำหรับปินภาพสีไม่กี่ซางเราใหมันกิดแลงสมันติดเลินอีกราษดีกระดาษสีกระดีษนระดาษภาพกระดาษสีภาพควรจะไปเยอะคนรใหเดินนน นเดียวแลแต่ว่าอย่างน้อยเตตตามันหยุดดูแลท่านจะลุกในวันนั้นทาอะไรก็ต้องเขายดือดทำอะไรกันสุดวันไว้ก็ดีทุนิสาก็จะย้ายผมเล็ห้องนึง่นจะเป็นเป็นที่คืออะไรนะที่ แดงงานได้ไจค้ากเยพราว่ถาม่ว่ามัูควสาเป็นใมากใหญ่เลย่ท่าด้วยอยากเข้าไเข้าไปเขาไปเข้าไีเข้าไปิ้าไปเาไปเขาไาขาไข้าไปเาไปเข้าไปเ้าขา้้าเข้าเาาเเาาาา ตรงนั้นัวรวมทั้งหมดงานอาจารย์จะทำกานผลงนอาจารทำานอาจารย์เจารักเทียวชมงานประธานมยามนาจะเป็นท่านาฟังชันลูมก็ได้ไม่ลืมน้องเยาวโอ้แม่สาวเป็นห้องที่อาจารย์เข้าไปเรียน เรื่องนะเรื่องวิจัยเนี่ยแล้วลงเอครับเราก็มาพูดมาคุยกันถึงช่วงท้ายของของรายการนะครับท่านท่านผู้ฟังผมกับอาจารย์ชมพูนะครับมาคุยในช่วงของ รายการสภากาแฟท้องถิ่นนะครับรายการสภากาแฟท้องถิ่นในการที่จะม า, ม า, มาพูดม า, ม า, มาคุยกันนะครับใ น, ใ, นในช่วงนี้นี่เราจะได้สาระหลากหลายนะครับทั้งเรื่องประชารัฐนะครับเรื่องวิจัยนะครับเพื่อชุมชนซึ่งเป็นภารกิจหลักนะครับข อ, ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นซึ่งก็เป็นทิศทางที่ถูกแล้วนะครับนะสนับสนุนให้ บรรดาของคณะาจารย์น้องๆนะออกมาทํางานเพื่อเพื่อชุมชนอาจจะมีนักศึกษาด้วยนะครับมาทําเป็นการฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทิศทางนี้จะเป็นทิศทางที่ที่ที่ยั่งยืนนะครที่ควบคู่กับการทํางานกับชุมชนมีการสอนการวิจัยการบริการวิชาการสู่ชุมชนนะครับนะก็ครบเลยนะก็ะฝากไว้นะครับว่าให้ให้เดินต่อไปอาจารย์ชมพูเดินต่อครับครับผมก็ในช่วงไทยก็ต้องขอ กราบขอบคุณท่านอาจารย์นิรันด์เป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้โอกาสมาร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒน า, าชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งครับก็เดี๋ยวผมฝากไว้นิดหนึ่งที่เราพูดก่อนที่จะจบเมื่อกี้เนี่ยคือยังยังยั ง, ยงจะบอกพี่พี่น้องประชาชนว่ามีสายท่านหนึ่งก็เรียกว่าสายปลาเนี่ยท่านเป็นสายที่อยู่ในตรงนั้นนานมากเป็นยี่สิบปี เดินทางจากเมืองไทยไปเมืองจีนไปเรียนไปเรียนเป็นหมอฝังเข็มซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เดินทางไปแบบไกลมากแต่ท่านบอกว่าท่านไปด้วยใจใจมันไปเดินไปข้ามเวียดข้ามลาวข้ามเวียดนามไปไปถึงเมืองจีนแล้วไปเรียนอยู่ที่นู่นไปเรียนเพื่อจะออามาพัฒนาไม่ว่าจะาคนที่เข้าไปในป่าจะเป็นไข้ามาลาเรียเป็นไข้อะไรต่างสา ม, มารถฝังเข็มหายหมดนั่นคือเป็นศาสตร์หนึ่งที่ เราอยากจับไปลงชุมชนอนี้ให้ท่านเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ทํางานประสบการณ์เดินทางประสบการณ์ต่างๆมากมายซึ่งมีสายหลายท่านเป็นทั้งสายที่จู่โจมเป็นสายที่ไปโจรกรรมข้อมูลแอบซุ่มมองอะไรบางมานี้มีมากมายแต่ไกลกองเลยซึ่งไปนั่งฟังนั้นก็เกิดความสนใจไปอย่างยิ่งดังนั้นก็เดี๋ยวอาวันจันทร์หน้านะก็จะพ า, ท, าท่านฟังต่อว่าการลงพัฒนาจทยวิจัยของเรานี้ มันได้อะไรมากมายเยอะแยะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ลงไปทำตรงนั้นจริงๆขับเคลื่อนข้อมูลเกี่ยวเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านโคกเขาซึ่งเป็นดินแดนของนักเขาเรียกะไรสหายเก่าที่เป็นผู้ที่พัฒนาประเทศตรงนี้ว่าเขาทำยังไงเขามีประสบการณ์ยังไงแล้วก็เป็นเล่าเรื่องต่างๆของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วพัฒนาตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จังหวัดบุรีรัมย์อีกแหล่งหนึ่งผมก็เชื่อว่ามันจะเกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงมั่นคงซึ่งเป็นแนววิบายที่เราอยากจยากครับเพื่อน้ดังนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการสภากาแฟท้องถิ่นของเราแม้ว่าอันมันจะขาดหายไปบ้างก็ตามแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังจะกลับมาพบกับพี่น้องประชาชนอยู่ต่อเวลาตั้งแต่วันนี้และวันต่อๆไปเพราะว่าการ ทำหน้าที่ของหมหาวิทยาลายัยก็ต้องทำต่อไปไม่ไม่ได้หยุดนิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อลูกหลานพี่น้องประชาชนเพื่อปากท้องประชาชนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นและก็หมู่บ้านอำเภอจังหวัดและประเทศชาติสื่อต่อไปสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์นิรันด์ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการของเราพบกันใหม่ในวันันรหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ขายเข่าให้ได้ราคาดี